ราชันเตปุรับปเวสนะสูตรว่าด้วยโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในภิกษุทั้งหลายโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในสิบประการโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งพระราชาในโลกนี้ประทับอยู่กับพระมเหสีภิกษุเข้าไปในที่นั้นพระมเหสีทรงเห็นภิกษุนั้นแล้วทรงยิ้มแย้ม หรือภิกษุเห็นพระมเหสีแล้วยิ้มแยม้มพระราชาจะทรงสงสัยในอาการนั้นอย่างนี้ว่าคนทั้งสองนี้คงได้ทำหรือจกทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่นี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นไหนประการที่หนึ่ ง, งพระราชาทรงมีพระราชการณียกยิจมากเสด็จไปหาหญิงคนใดคนหนึ่งแล้วทรงระลึกไม่ได้หญิงนั้นตั้งคันกับพระองค์ พระราชาก็จะทรงสงสัยในการตั้งคันนั้นอย่างนี้ว่าเว้นบรรพชิตเสร็จแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทาของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่สอง 3. รัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในพระราชวังชั้นในหายไปพระราชาก็จะทรงสงสัยในการที่รัตนะนั้นหายไปนั้นว่า เว้นบนรรพชิตเสียแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปพระราชวังชั้นในประการที่สาเรื่องลับภายในพระราชวังชั้นในแพร่พลายออกมาภายนอกพระราชาก็จะทรงสงสัยในเรื่องลับที่แพร่พลายออกมาภายนอกนั้นอย่างนี้ว่าเว้นบนรรพชิตเสียแล้ว ใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรณชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่ส5ในพระราชวังชันน้นในบิดาปรารถนาจะฆ่าบุตรหรือบุตรปรารถนาจะฆ่าบิดาคนทั้งสองนั้นตางก็จะสงสัยอย่างนี้ว่าเว้นบรรพชิตเสียแล้วใครอื่นจะเข้ามาในพระราชวังชั้นในนี้ไม่ได้ กรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรปชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่ห้าหพระราชาทรงตั้งบุคคลผู้ควรแก่ตาแหน่งต่าไว้ในตําแหน่งสูงคนทั้งหลายที่ไม่พอใจการแต่งตั้งนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีขับบรรปชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรปชิต นี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่ห 7. เจ็ดพระราชาทรงตั้งบุคคลผู้ควรแก่ตาแหน่งสูงไว้ในตําแหน่งต่าคนทั้งหลายที่ไม่พอใจการแต่งตั้งนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลีกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทําของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่7 8. พระราชาทรงส่งกองทัพไปในการไม่สมควรคนทั้งหลายที่ไม่พอใจในการส่งกองทัพไปนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงคลุกคลือกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่8ป้าพระราชาทรงส่งกองทัพไปในการสมควรรับสั่งให้กลับเสียในระหว่างทาง คนทั้งหลายที่ไม่พอใจในการให้กองทัพกลับเสียในระหว่างทางนั้นจะมีความสงสัยอย่างนี้ว่าพระราชาทรงครุกคลือกับบรรพชิตกรรมนี้น่าจะเป็นการกระทำของบรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นไหนประการที่เก้พระราชวังชั้นไหนเป็นที่คับข้างไปด้วยช้างคับข้างไปด้วยมา้าคับข้างไปด้วยรถมีรูปเสียงกลิ่นรสและโพธพะ เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่บรรพชิตนี้เป็นโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในประการที่สิบภิกษุทั้งหลายโทษในการเข้าไปในพระราชวังชั้นในสิบประการนี้แลราชันเตปุรับปเวสนะสูตรที่หจบ 6. กสักกะสูตรว่าด้วยอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัทในแคว้นสักกะครั้งนั้นแหละอุบาสุกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะเป็นจำนวนมากได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะดังนี้ว่า อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสกักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ดบ้างหรือไม่เนาะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสกักกะเหล่านั้นกราบทูลว่าบางคราวข้าพระองค์ทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ดแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาพระพุทธเจ้าค่าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสกักกะทั้งหลายไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แปดแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงหาทรัพย์ได้วันละกึ่งกระหาปันนะด้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่า เป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พืงหาทรยบได้วันละหนึ่งกหาปณะสองกหาปณะสามกหาปณะสี่กหาปณะหกะหาปณะหกะหาปณะเจ็ดกหาปณะ แกหา 9. ปณะ9กหา 10. ปณะสิกหา 20. ปณะ20สกหา 30. ปณะสาสกหา 40. ปณะ40สกหา 50. ปณะห้สกหาปณะร้อยกหาปณะด้วยการงานชอบโดยไม่แตะต้องอกุสุลกรรมเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นคนฉลาดมีความขยันหมั่นเพียรสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ อุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรบุคคลนั้นเมื่อหาทรัพย์ได้วันละร้อยกหาปณะนะพันกะหาปณ ะ, ะก็เก็บทรัพย์ที่ตนได้ไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงได้พวกสมบัติกองใหญ่บ้างหรือไม่นอได้พระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร บุคคลนั้นจะพึงสวยสุขอย่างเดียวอยู่ตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งครึ่งคืนหรือครึ่งวันอันมีพุกสมบัตินั้นเป็นเหตุมีพุกสมบัตินั้นเป็นปัจจัยมีพุกสมบัตินั้นเป็นที่ตั้งได้บ้างหรือไม่หนอไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงว่างเปล่าหลอกลวงมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาสกอุบาสิก า, าชาวแคว้นสักกะทั้งหลายส่วนสาวก ข, ของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวก ข, ของเรานั้นแหลเป็นสักกะทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง10ปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุธิกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9ปี8ปี7ปี6ปี5ปี4ปี3ปีสองปี1ปี เพิเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จําเป็นต้องพูดถึงหนึ่งปีสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด10เดือน พึงเป็นผู้เสวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร0อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหละเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิเดือนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจ ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9เดือน8เดือนเจดเดือนหเดือนห้าเดือนสี่เดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดือนพึงเป็นผู้สวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกาธาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มี เป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงครึ่งเดือนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบคืน10วันพึงเป็นผู้สวยความสุขอย่างแน่นอนอยู่ตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแหลเป็นสกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันไม่ปฏิบัติผิดพลาดก็มีไม่จำเป็นต้องพูดถึง10บคืน10วันสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอด9คืน9วัน8ดคืน8วันเจคืนเจวัน6คืนหวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วัน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 ท่านทั้งหลายได้ชั่วแล้วที่เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวท่านทั้งหลายพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์แแต่บางคราวก็ไม่ได้พากันรักษาอุบาสกอุบาสิกาชาวแคว้นสักกะทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จะพากันรักษาอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สักสูตรที่6จบเจ็ดมหาลิสูตรว่าด้วยเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวัน เคกรุงเวสาลีครั้งนั้นแหลเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิ โลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปโทสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปอโยนิโสมนัสการการมนัสการโดยไม่แยบคายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปมิชฉาปนิหิตะจิต จิตที่ตั้งไว้ผิดแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปมหาลิกิเลตมีโลภะเป็นต้นนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมชั่วและให้กรรมชั่วเป็นไปเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิทูนถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาลิ อโลพะเป็นเหตุเป็นปัจจ grief, he ัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปอโทสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปอโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปโยนิสมานัสการการมนัสการโดยแยกคายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปสัมมาปณิหิตาจิตจิตที่ตั้งไว้ถูกแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกรรมดีและให้กรรมดีเป็นไปหากทำสิบประการนี้ไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรมหรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมก็จะไม่พึงมีปรากฏอยู่ในโลกนี้มหาลีเพราะทำสิบประการนี้มีปรากฏอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่สม่ำเสมอคือความประพฤติอธรรม หรือความประพฤติสม่ำเสมอคือความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏอยู่ในโลกนี้มหาลิสูตรที่เจ็ดจบ 8. ปดปปัชิตตาอภินหสูตรว่าด้วยธรรมที่บรรปะชิตควรพิจารณาเนื่งเนืองภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้บรรปะชิตควรพิจารณาเนื่งเนืองธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ บัะชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่า 1. เราถึงความมีเพศต่างจากครหัตส 2. การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3. เรามีอากัปปิยาอย่างอื่นที่จะพึงทำสเราติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายพิจารณาแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 6.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 เรายินดียิ่งในเรือนว่างอยู่หรือไม่ 10. ยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ที่เราบรรลุแล้วซึ่งจกเป็นเหตุให้เราไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนพรมจารีถามในภายหลังมีอยู่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายทาสิบประการ น, นี้แลบรรปะชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองปปัจจิตตอภินหสูที่8จบเก สรีรัฐธรรมสูตรว่าด้วยธรรมประจําศรีระภิกษุทั้งหลายธรรมประจําศรีระสิบประการนี้บรรปะชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองธรรมประจําศรีระสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ความหนาว 2. ความร้อน 3. ความหิว 4. ความกระหาย 5. ความปวดอุจจาระ 6. ความปวดปัสสาวะ 7. ความสำรวมกาย 8. ความสำรวมวาจา 9. ความสำรวมอาชีพ 10. ทำเป็นเครื่องปรุงแต่งพบเป็นเหตุให้เกิดในพบใหม่ภิกษุทั้งหลายทำประจำสริระสิบประการนี้แลบรรปชิกควรพิจารณาหนึ่งเนืองสิริรัตธรรมสูตรที่9จบ พันธนะสูตรว่าด้วยภิกษุเกิดความบาดหมางกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเโ ค, ครงสาวทถีสมัยนั้นแลภิกษุเป็นจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันณหอฉันเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกัน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 ขอประธานวโรกาศข่าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาตภายหลังชันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันนะหอฉันเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอคือปากทิ่มแทงกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอคือปากทิ่มแทงกันอยู่นี้ ไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเลยภิกษุทั้งหลายสารานิยธรรมทําเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันสิประการนี้ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัครีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันสารานิยธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสัมรุมด้วยการสังวรในปาฏิโมกเพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลละถึงสมทานศึกษาอยู่ในศึกษาบททั้งหลายนี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพ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 ทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิแม้การที่ภิกษุเป็นผู้หูสูดละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐินี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสมัครีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 3. ามเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี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 ทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาดกันเพื่อความสมัคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 6. เป็นผู้ใคร่ทมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีปราโมทย์อย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ใคร่ธรรมละถึงนี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทาให้เป็นที่รักทาให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัครใกัน 7. เป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุโสณธ ร, รรมเพื่อให้กุรศส <พ Gina. S 1> ณธร ร, ร, ร, รรมเกิดมีความเข้ ม, ขมแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในคุศสธรรมทั้งหลายอยู่แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปราบรบความเพียรเพื่อละอกุโสณธรรมเพื่อให้กุศสณธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัครใกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 8. เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณนบาบเสนาสนะและคีฬ า, า, านปัจจัยเพศบริขารตามแต่จะได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณนบาตเสานาสนะ และคีลานปัจจัยเพตบริขารตามแต่จะได้นี้ก็เป็นสารานิยธรรมที่ทําให้เป็นที่รักทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสมัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกัน 9. เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดแม่นานได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีสติ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 ปฐมวิวาทมูลสูตร 3. ทุติยวิวาทมูลสูตร 4. ีกุศินารสูตร 5. ราชันเตปุรับปเวชนะสูตร 6. กสักะสูตร 7. มหาลิสูตร 8. ปดัพพชิตะอภินหสูตร 9. ก้าเสรีรัตธรรมสูตร 10. พันธะสูตรปฐมปันนาฏ job beribun.